งานคือการปฏิบัติทาในครั้งพุทธกาลมีเครื่องยืนยันแสดงขึ้นเป็นจำนวนมากแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ทํางานเสร็จสิ้นลงไปหมดภาระในงานทั้งหลายที่เกี่ยวกับการถอดถอนกิเลสอันเป็นภัยแก่กจิตใจ ท่านแสดงบทธรรมไม่ว่าู้สิตังบ ร, รมจฌริยังกตังกรณิยังนาพลังอิสตายาติปะชานาติคือพรมจันรย์ได้อยู่จบแล้วคือการประพฤติพรม จ, รรมนจันรย์นั้นจบงานได้เสร็จสิ้นแล้วงานอื่นที่จะทำให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มี นี่เป็นเครื่องประกาศในผู้ปฏิบัติด้วยสันติโกคือรู้ขึ้นมาเองเห็นนเองพ่องงานของตนที่เกี่ยวเนื่องมาโดยลำดับตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดและละเอียดสุดได้หลุดพ้นไปจากจิตใจหมดโดยสิ้นเชิงแล้วประกาศทรบมบทนี้ขึ้นมา าการประพฤติพรหมจรรย์หรือการปฏิบัติธรรมหรงานของธรรมได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วงานอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีคือได้รู้รอบขอคิดปดแล้วนี่งานการปฏิบัติธรรมมีวันเสร็จสิ้นมีวันจบลงไปได้ ไม่ยืดเยื้อไม่ซ้ำซักซากตลอดไปตั้งกับตั้งกันปัญหาที่ยุติมาได้เหมือนงานของกิเลสจูงสัตว์โลกให้ท่องเที่ยวนี่เลยงานนี้ไม่มีทางสุดสิน้นถ้าปล่อยให้กิเลสจูงไปสักเท่าไหร่ก็จะต้องถูกจูงอยู่เช่นนั้นประฐาน ที่ที่จะยุติเสร็จสิ้นลงไปตัดเครื่องอำนาจออกจากสัตว์โลกหมดแล้วสัตว์โลกทั้งหลายด้รับอิสระตั้งแต่บัดนี้ต่อไปไม่มีมีแต่ครอบกันอยู่เช่นนั้นทุกดวงวิญญาณด้วยอำนาจแห่ง ธรรมชาติที่ว่านี่แหละงานนี้จึงหาที่ยุติไม่ได้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีจุดที่จะยืนตัวหรือจุดที่เสร็จสิ้นลงไปได้ผิดกันกับงานของธรรมที่พูดบาเพ็ญทั้งหลายเมื่อเต็มภูมิแล้วยุติ คำว่าเต็มภูมิก็คือกำลังของธรรมมีเต็มที่แล้วก็สังหารสิ่งที่แทรกสิงอยู่ภายใน จ, ใจิตใจอันพาให้เกี่เกิดแจเก็บตาอยาอยู่ไม่ถอยนั้นให้สิ้นลงไปซะจนไม่มีเหลือก็เรียกว่าสิ้นสุดนี่งานของธรรมจึงมีเวลาสิ้นสุดได้ ถ้าผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆไม่ว่าครั้งใดไม่ว่าครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ขอให้ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งสวกาธธรรมที่ศาสต์ไว้ชอบแล้วนี่เถิดจะไม่มีคำว่าการสถานที่ใกล้ไกล เพราะเป็นสัจธรรมคือความกินประจําใจอยู่ตลอดเวลาประการประหนึ่งว่าท่าทาอยู่ภายในหัวใจของเราทุกดวงที่พอจะทราบได้ก็คือมนุษย์เราเห็นทุกข์กัประกาศอยู่ภายในกายในจิตเฉพาะอย่างยิ่งภายในจิตซึ่งออกจากเรื่องของสมุทยัย คือกิเลสรุนๆานผลิดลขึ้นมามีประกาศกัางวานอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าอิดหิวอ่อนเพียก็คือกิเลสทำงานนั่นแหละด้วยเหตุนี้จึงต้องมีธรรมเป็นเครื่องชำระสักฟอกหรือคัดค้านต้านทานหรือสังหารกัน ไม่เช่นนั้นธรรมชาตินี้จะไม่มีวันเสร็จสิ้นลงไปจากจิตใจของสัตว์โลกอันได้รับอิสระได้เลยธรรมจึงเป็นคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารจำเป็นเรื่อยมาแต่กับใดกันไหนขาดอันนี้ไปไม่ได้ถ้าขาดธรรมแล้วก็เรียกว่าสัตว์โลกจะหาที่ยุติไม่ได้ เพราะไม่มีช่องมีทางที่จะเป็นไปเพื่อความยุติเพื่อความเต็มภูมิอำนาจวาสนาของตนเพราะการสร้างความดีทั้งหลายจากอัตธรรมที่ท่านแนะนำสั่งสอนแนวทางเอาไว้และได้บาเพ็ญความดีมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาเรื่อยมาซึ่งวันแล้แต่เป็นการสร้างความดีไว้เพื่อย่นวัตจัก วัตถจิตให้สั้นเข้ามาเป็นลำดับลำดานี่ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงอาตรัสสรู้เป็นลำดับลำดากันมานี่เรียกว่าเป็นคู่กันมากับโลกหรือกับกิเลสอธรรมนั่นแหละเป็นคู่แก้ไขเป็นคู่ต่อสู้เป็นคู่สังหาร หรือชะล้างกันมาเป็ น, นลํำดับลาดาตัดโลกยึ่งพอมีทางให้ผ่านพ้นไปได้หรือหนักก็กลายเป็นเบาลงได้เพราะอํานาจแห่งธรรมเป็นเครื่องบรรเทาอย่างเป็นอย่างน้อยและเป็นเครื่องสังหารเป็นอย่างมากเรียกว่าสุดจิตสุดคิดสุดอักสุดทำด้วยการสร้างบา ร, รมีเต็ม ภายในจิตใจแล้วอิริ็ะ ก, ก็พังลงไปนี่เรียกว่าถึงจุดหมายปลายทางแล้วด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ตนบําเพ็ญมาพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้มานี้นับจำนวนไม่ได้ในต ำ, ตำลาท่านบอกไว้ว่ามากจนเราธรรมดานี้ขน า, นานับไม่ได้เลย เราอย่าพูดเพียงว่าเป็นล้านล้านล้านล้า น, านยังมากกว่านั้นอีกเพราะโลกนี้มีมานานสักเท่าไหร่เรื่องของโลกเรื่องของธรรมก็มีมานานอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าเป็นวักเป็นตอนไม่เป็นพื้นสายยาเวเหียดมาโดยลำดับกำดาเหมือนกิเลสภายในจิตใจของสัตว์โลกเท่านั้น มีต่างกันที่ตรงนี้คือระยะใดที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ธรรมก็เท่ากับมีหมอมียามารักษาโรคคนไข้ก็มีหวังที่จะเร่บรรเทาและหายจากโรคจากภัยไปได้ถ้าไม่ใช่โรคสุดวิสัยดังที่เราทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วเนี่ยมีทางที่จะเป็นไปได้มีหวังสําหรับคนไข้ เพราะมีหมอเพราะมียาถ้าไม่มีเลยปล่อยให้แต่โรคภัยแค่จิบเหยียบย่ำทำลายนี้ยจะไม่มีวันตรงวางลงได้มีแต่ความทุกข์ทุกความทรมานอย่างเดียวเพราะนอกจากโรคที่เป็นอยู่โดยลำพังแล้วยังมีของสิ่งที่สแสลงโรคเข้าไปอีก ทำให้เพิ่มปริมาณเข้าไปจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้นอกจากตายเสียท่นนั้ น, น, นทมจึงเป็นความจำเป็นสำหรับโลกโดยหลักธรรมชาติใครจะเชื่อว่าทรมีก็ตามไม่มีก็ตามแต่ทมก็เป็นหลักธรรมชาติของตนไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อของผู้ใดเพราะไม่เป็นน้อยเป็นบ่อยของไขทั้งนั้น แต่เป็นหลักความจริงอันหนึ่งที่มีอยู่ประจำโลกนี้ผู้มีความเฉลียวฉลาดท่านก็ขุดค้นขึ้นมาคุ้ยเขี่ยขึ้นมาบําเพ็ญขึ้นมาจนปรากฏขึ้นเป็นองค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าแต่และพระองคนะ์พอท่านคุ้ยเขีย่ยขุดค้นของจริงในหลักธรรมชาตินั้นขึ้นมาปรากฏที่พระไทยคือใจ โดยสมบูรณ์แล้วก็ได้นำทมที่ประจักษ์ในพระไทยนั่นแหละออกสั่งสอนโลกซึ่งผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาปิสุมพันธ์นนั้นมีจำนวนไม่น้อยในแต่ละสมัยสมัยที่พระพุเทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เมื่อทรงอุบัติขึ้นมาแล้วก็เท่ากับฝน โปรยลงมาลดต้นไม้ใบหญ้าให้สดเฉียวงดงามขึ้นเป็นลำนับกลำลางหนะนึ่งบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีภูมิวาสนาแก่กล้าสามารถที่จะได้หลุดพ้นไปอยู่ด้วยอัดเพื่ธรรมอยู่แล้วพอได้ยินได้ฟังอัดธรรมซึ่งเป็นของจริงร้อยเปอร์เซนต์จากพระไทยของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆก็แย้ม ออกทันทีเหมือนกับดอกบัวที่รอจะบานอยู่แล้วนั่นจิตที่รอดกับรรมอยู่แล้วที่จะรู้จะเห็นตามหลักความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เช่นเดียวกันท่านจึงเรียกว่ากุ ค, คติตันยูปิปจิตันยูคนทั้งสัตว์โลกทั้งสองประเภทนี้มีประจําโลกมาไม่ได้ขาดบักขัดตอนเลย เป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยเรเพราะอย่างยิ่งเวลาที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นั่นแหละมาพอเหมาะกับจังหวะที่สัตว์โลกประเภศที่จะหลุดพ้นมีจำนวนมากนี้พอดีถ้าเป็นผลผลไม้ก็เป็นผลไม้ชนิดหัวปีนี่เป็นอย่างนั้นมาแนะนำสั่งสอน ผู้ที่มีระดับต่ำกว่านั้นก็ค่อยกระเตื้งขึ้นมากระตื้งขึ้นมาเพราะการได้ยินในฟังการสร้างคุณงามความดีด้วยอนานาจการให้ทานรักษาศีลภาวนาเพราะทราบว่ามีบาปมีบุญมีคุณมีโทษจากพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเรียบร้อยแล้วย่อมมีความสนใจใคร่ต่อการปฏิบัติความดี ความดีนั้นย่อมจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลาดับภายในจิตใจของผู้บาเพ็ญนั้นนั้นแล้วก็เป็นการสร้างบา ร, รมีให้เสริมต่อขึ้นเป็นลาดับลาดับขึ้นระดับนั้นระดับนี้เรื่อยไปเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุธรรมตามสเสด็จพระพุทธเจ้าทันจึงมีจานวนมากต่อมากในพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตรัสรู้นั้น และนอกจากนั้นท่านผู้ที่บำเพ็ญความดีทั้งหลายที่ยังไม่หลุดพ้นก็ค่อยเลื่อนขั้นเลื่อนภูมิขึ้นมาเป็นลำดับลำดานี่สัตว์โลกทั้งหลายมีหวังอย่างนี้ที่จะได้หลุดพ้นเมื่อมีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาโปรดสัตว์ท่านจึงล่า ว, ว่าโปรดสัตว์โปรดอย่างนี้เองดูเอาฟังเอาแล้พอพระพุทธเจ้า องนี้ปรนิพานไปศาสนาหมดไปทมแม้จะเป็นของมีอยู่ก็ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาชี้แกงแสดงบอกสอนและพอดีกับจังหวะที่สัตว์โลกกำลังมืดบอดมีจำนวนมากไม่สนใจต่ออัตต่อธรรมต่อบุญต่อบาปทั้งๆั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่แต่สนใจไปตามความอยากความเยยทะยานอันเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นมีหยุดภายในใจิตใจ เป็นลําดับลําดาไปเพราะฉะนั้นกิเลสภายในจิตใจของสักจึงไม่เป็นการเป็นสมัยเหมือนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ทำเป็นการเป็นสมัยนั้นนี่ผิดกันที่ตรงนี้แหยพระพุทธเจ้าองค์นั้นมาตรัสอีกก็ทํานองเดียวกันทํานองเดียวกันสัตว์โลกจึงมีทางที่จะหลุดพ้นไปได้เป็นลําดับลําดาเพราะอํนนานาจแห่งความดีเป็นเครื่องปวดเปื้องเป็นเครื่องบันเทาจนกระทั่งถึง ได้สิ้นทุกไปโดยสิ้นเชิงด้วยอำนาจแห่งธรรมคือความดีทั้งหลายที่ตนได้บำเพ็ญซึ่งเนื่องมาจากการได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนี่นี่กย็ยนเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าของเราที่มาตรัสรู้นี้ก็เช่นเดียวกันพอตรัสรู้ที่แรกเท่านั้นก็ทรงเล่งยานแล้วฟัง นี่แหละพยานของพระพุทธเจ้ามีประจำทุกๆุกพระองค์ที่พอเหมาะพอสมซึ่งจะพิจรารณานดูสัตวโลกว่ารายใดควรรายใดไม่ควรใกล้ใกล้ขนาดไหนช้าเร็วเพียงใดทรงพิจรารณ า, นานด้วยพระยานแล้วก็อย่างทราบดังที่ทรงเล็งยานดูดาบททั้งสองที่เคยเป็นครูบรญาจารย์ท่านมา ในครั้งที่ท่านทรงบำเพ็ญคืออุทธกาดาบทและอะไรอีกดาบทหนึง่งจำไม่ได้ทั้งสองดาบทนี้ก็ทรงทราบว่าได้สิ้นไปเสียแล้วตั้งแต่วานนี้หน้าเสียดายถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็สององค์นี้แลจะเป็นอันดับหนึ่งในการบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นปฐมสาวกุกเมื่อ ทรงเรญอ ย, ยานเห็นว่าสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้แล้วก็จึงทราบไปทางเบญจบัค ข, ข, ขีทั้งห้านี่เป็นปฐมเมลเป็นของการตัดสูแห่งพระพุทธเจ้าจึงในมามาแสดงธรรมโปรดเบญจบัคขีทั้งห้านี่ซึ่งพร้อมแล้วประเภทอุคติกันอยู่ พร้อมที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วในเมื่อธรรมของมือเจ้าเข้าสู่ใจเท่านั้นในหลักธรรมท่านก็แสดงไว้แล้วธรรมจักกับปวัตนสูตรนี่คือองค์แห่งอริยสัจที่เป็นเครื่องกันกรองสัตว์ทั้งหลายฤทธิจิตของสัตว์ผู้ใครต่อธรรมให้ได้หลุดพ้นไปได้โดยไม่ต้องสงสัย อริยสัจนี้จึงเป็นความสำคัญมากทุกครั้งอริยสัจจังนียย่อยลงมาสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังและมรรคอริยสัจจังเนี่ยทำสี่ประเภทนี้เมื่อพระองค์ทรงแสดงให้เห็นในสิ่งที่ผิดตามมุกขันิ ก, า, กานุโยกและอัตตกิลมฐานิโยกทั้งสองประเภทนี้เป็นทางผิด ไม่ใช่ทางแล้วก็แสดงทางที่ถูกต้องดีงามอันเป็นทางที่เหมาะกับการบรรลุ ธ, ธรรมได้โดยไม่ต้องสงสัยจึงยกมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นเรื่องของมรรคขึ้นพร้อมกับการแสดงทุกสมุทยัยให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษเป็นภยัยจะแก้ไขด้วยวิธีใดระทรงแสดงมรรคอายสัจจะขึ้นมา ในธรรมจักรท่านแสดงเป็นเชิงถ้ตั้งปัญหาถามแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงเองจินเสยร์ฟที่ดังนั่นมรรคนั่นคืออะไรเป็นอย่างไรนะถ้าถ้าแปลออกเป็นคําถามนั้นคือนั่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปูเรื่อยไปเลยก็อธิบายถึงเรื่องสัมมาทิฏฐิคือปัญญาความเฉลียวเฉลียวสัมมาสมาังกปูก็เช่นเดียวกัน จนกระทั่งถึงสมาสมาธินี่คือองค์ของลักเป็นเครื่องแก้เป็นเครื่องสังหารสมุทยัยคือกามตัณหาภาวตฐานหาวิภาวะัานหาเป็นสำคัญนะเมื่อทรงแสดงให้เบญจบุคีทั้งห้าดได้ทราบอย่างถึงใจแล้วพระอัญญาโวนอัญญก็ได้บรรลุธรรมนี่ว่าขั้นเริ่มแรกอริยธรรม ขั้นเริ่มแรกคือบันลุพระโสดาบันขึ้นมาด้วยอุทานว่ายัางกิจิสมุดายธรรมังสับบันตังนิโ ร, รธธรรมังสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วต้องดับทั้งนั้นนี่เป็นเครื่องถึงใจท่านจนถึงกับได้บันลุธรรมขั้นนี้ขึ้นมาเป็นที่แน่ใจที่สุดสุดภูมิของธรรมขั้นนี้หลังจากนั้นก็ทรงแสดง อนัตตาลขณะสูตรนี่ล้วนแล้วตั้งแต่แสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งก็รวมลงในอริยสัพพสี่นี้เหมือนกันแต่เป็นธรรมอนะเอียดสุขขุมมากจนเข้าถึงจิตแล้วได้บรรลุธรรมขึ้นมาทั้งห้าองค์ในเบญจวคีนั้นนี่คือท่านผู้ได บันรู้ทำอย่างรวดเร็วจากนั้นก็เป็นลําดับลาดาไปดังที่เราเห็นแล้วแต่ไม่จําเป็นจะต้องบรรยายแต่มากมายว่าคณะนั้นองค์นั้นองค์นั้ น, น, นเป็นอันดับนั้นอันดับนั้นต่อไปก็เป็นมีลักษณะใกล้าเคียงกันนี้ธรรมะที่เหมาะสมกับจดิตนิสัยของผู้ใดพระองค์จะนําธรรมะประเภทนั้นขึ้นมาแสดงเช่นเดียวกับโรคเหมาะสมกับยาประเภทใดหมอที่ เรียนมาอย่างช่ำชองแล้วจะทราบเองแล้วนำยานั้นมาปฏิบัติต่อโรคของคนไข้ร า, ายนั้นไปเองจนกระทั่งถึงหายได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่พระพุทธเจ้าก็เช่นเช่นเดียวกันนี่แหละทมทรงแสดงมาเป็นลำดับลำดาเวลาพระองค์ประกาศพระศาสนาด้วยพระองค์เองอยู่นั่นเป็นเวลาสี่สิบห้าปีในสี่สิบห้าปีนี้ ไม่มีเว ล, เวลาถ้ามาพูดตามภาษาเราที่จะพักผ่อนหย่อนกายให้สะดวกสบายเหมือนโลกทั่วๆไปนั้นไม่ได้แล้วมีแต่การแต่งงานที่เกี่ยวกับสัตว์โลกทั้งนั้นไม่ว่ากลางวันกลางคืนเืินเดินนั่งนอนท่านจึงมีพุทธกิจห้าไว้เรียกว่าเป็นงานประจำพระพุทธเจ้าแปลออกห้าประการ นี่ดังนี้เป็นสาคัญคือการในเวลาบ่ายสามสี่โมงเย็นลงไปแล้วประธานพระวา่าแจกต่อค้าประชาชนมีพระมหากษัตริย์เป็นสาคัญลงมาโดยลำดับจน ป, ชชนประชาชนทั่วไปพอตอนตกตอนข้ามเข้ามาก็ประธานเาวว่าแจกพระสงฆ์คือเทศนนามว่าการให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้ทราบ แล้วได้ผลเป็นที่พอใจตามภูมิของตนเพราะเที่ยงคืนก็ทรงแสดงธรรมและแก้ปัญหาเทวดาชั้นต่างๆที่มาเฝ้าพระพุเทธเจ้าและสะดับธรรมตลอดถึงการถามปัญทูล ถ, ถามปัญหาในแง่ต่างๆพระองค์ทรงประทานพระโอวาทแก่เทวดาทั้งหลายนับตั้งแต่ภูมิเทวดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงธมมโลก รวมแล้วเรียกว่าเทวดาเป็นคำที่รวมแห่งเทพทั้งหลายนี่ทรงแสดงให้เป็นที่เข้าใจเข้าใจโดยลาดับนี่ตั้งแต่หกทุ่มล่วงไ ป, ไปแล้วพราะปัจฉิมยามก็ทรงเลงยานดูสัตวโลกว่ารายใดสัตวโลกรายใดที่จะปรรุธรรมได้อย่างรวดเร็วแต่จะถึง ความชิ้นชีวิตเสียก่อนในเวลาที่กระทันหันปูนง่อ ย, อยพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดรายนั้นก่อนเพื่อไม่ให้เสียการไปเ่าๆในพกชาติที่เป็นมงคลอย่า ง, างนี้นี้ตอนเช้าก็เสด็จออกบินทบากโปรดสัตว์อีกเช่นเดียวกันท่านเพิ่งเรียกว่าโปรดสัตว์ พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ใดอยู่ที่ใดเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกเป็นภูมิของศ า, ศาสดาทั้งนั้นไม่มีคำบกกร่องนี่เมื่อเราจะกล่าวตามเราพิจารณาตามพุทธกิจคืองานประจำพระพุทธเจ้าห้าประการนี้แล้วพระองค์ก็เหมือนหนึ่งว่าไม่มีเวลาพักผ่อนเลยแต่ก็พึงทราบเถิดว่า ความเป็นศัสดาขนาดนั้นใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าศาสดาละ่ะท่านก็ต้องมีการทักผ่อนเป็นธรรมดาไม่เช่นนั้นธาตุขันก็เป็นไปไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามแล้วอย่าลืมว่าภาระของพระพุทธเจ้านั้นหนักมากที่สุดสอนทั้งภูมิของมนุษย์มนาที่ควรจะสอนกันได้เห็นกันได้อย่างเปิดเผยสอนทั้งภูมิลี้ลับที่มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะรู้จะมองเห็นได้พระองค์ก็ทรงสอนเช่นสอนพวกเทพพวกปีตพวกผีเหล่านี้เป็นสําคัญพระองค์ทรงสอนทั้งนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาเป็นประโยชน์แก่โลกขนาดไหนไม่ได้กําหนดเพียงว่ามนุษย์มนาเพียงตัวนี้เทวดาอินทรมทั้งหลายได้รับผลได้รับประโยชน์มหาศาลไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าที่ทําประโยชน์ให้แก่โลกได้อย่างมากมาย เปผีเราเคยเห็นเมื่อไหร่เทบุตรเทวดาพวกเราเคยเห็นเมื่อไหร่นอกจากเอาความตาบอดหูหนวกมืดตื่นนี่เข้าไปคัดค้านความจริงคัดค้านพยานหรือคัดค้านความรู้รูที่สว่างสวายกระจ่า ง, งเต็มที่ของศาสรานี่เท่านั้นว่าไม่มีเทวดาที่ไหนจะมีมี่น้ําช้ายังดึงอมนุษย์มัอนี่แหละ เทวดาก็คือพวกนี้พวกนี้เองนี่เลยร ว, วมเอามาดึงเข้ามาตามความถนัดใจตามความชอบใจของตนเลยกลายเป็นศาสดาองค์หนึ่งขึ้นมานี่เวลานี้กําลังมีจํานวนมากมเหมือนกับศาสดาองค์นั้นพูดแสดงไว้ศาสดาของเราเนี่ยแสดงไวอ้อย่างหลอกลวงโลกไม่เป็นของจริงอะไรเลยเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ของจริงเต็มส่วนนั้น่ะใครจะรู้ยิ่งกว่าพระธเจ้าล่ะ พวกเรามันดูอะไรก็ดูด้วยความหูหนวกตาบอดตาเนื้อตาหนังเนี่เท่านั้นไม่ได้ดูได้รู้ได้เห็นด้วยยานอันเป็นของพิเศษประจําพระพุทธเจ้าประจําภาษาวกท่านที่อยู่ในนิสัยที่จะรู้จะเห็นมันเลยท่านรู้ท่านเห็นท่านได้เป็นครูสอนในธรรมมัคคุนอนาพุทธคุณก็บอกไว้ว่าสัทธาเทวะมนุษย์สาหนังนี่ ท่านแสดงไว้ยาะเท่านเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านั้นนี่นี่ววมฉลาดความสามารถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาอุบัติในโลกนี้เป็นประโยชน์แก่โลกขนาดไหนใครมีความสามารถที่จะทําประโยชน์ให้ได้อย่างพระพุทธเจ้าไม่มีไม่มีใครเสมอในโลกทั้งสามนี้ สิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่ทรงลำเอียงไม่ทรงลบล้างสิ่งใดที่มีบอกว่ามีสิ่งไม่มีบอกว่าไม่มีสิ่งที่ดีบอกว่าดีสิ่งที่ชั่วบอกว่าชั่วไม่ไม่ลำเอียงไม่ลบล้างก็คือศาสตราอ์เอกนั่นแหละทรงสอนตามเหตุตามผลตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์บอกไว้หมดทุกแง่ทุกมุมถ้าสัตว์โลกมีความ เือความลําสายพระพุทธเจ้าเหมือนกับความเชื่อที่เลสตัวจอมปอมนี่แล้วจะไม่รับความทุกข์ความทรมานมากมายเลยแล้ววัตจักรวัตวนก็จะย่นเข้ามาดูลําดับเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกนั้นสอนเพื่อจะปวดเปลื่องทุกเพื่อจะย่นวัตจักรวัตจิตให้เข้ามาสั้นที่สุดย่นเข้ามาย่นเข้าม า, า, มาจะเป็นล้านล้านพบล้านล้านชาติก็าตามเมื่อ สอนลงไปหลายครั้งหลาหงผู้บำเพ็ญไปตามไม่หยุดไม่ถอยแล้วจะย่นมตะเข้ามาเจตตะเข้ามาจนกระทั่งถึงเอกพิชีนี่ฟังสิเพียงชาติเดียวมีนาซ้ำชาติเดียวนี้ยังได้บรรลุธรรมให้ถึงสิ้นสุดมมุตพนิพานได้โดยไม่ต้องสงสัยดังพระสาวกทั้งหลายท่านบรรลุพระโสดาแล้วก็พะลุถึงอรหัตตภูมิเหมือนดังพระ เ, นเนบนเจวะีทั้งห้ามีพระ อญญาคนอนยะเป็นต้นท่านในเปลงอุทานขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่คือท่านสำเร็จพระโสดาหลังจากนั้นท่านก็สำเร็จเป็นอรหตัตตะบุคคลขึ้นมาออแล้วภาษาริบุตรพระโมคคานาได้ยินได้ฟังธทมจากพระอัสสชิจนกระทั่งได้บรรลุพระโสดาก็เหมือนกันหลังจากนั้นโพระโมกขนาก็เจ็ดวันบรรลุอรหตัตตะบุคคลขึ้นมา ราษาริบุตรสิบห้าวันบรรลุอรหัตตบุคคลขึ้นมาในชาตินั้นเท่านั้นไม่กี่วันอีกด้วยนี่ย่นเข้ามาถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกไม่ได้ยืดยาวไม่ได้เป็นเหมือนกิเลสที่มันหลอกสัตว์โลกเลยฟังซิหากเราเชื่อพระพุทธเจ้าดังตามธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าสขาาุขคาตธรรมนี่แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจะสงบร่มเย็นเป็นมนุษย์เย็นอย่างชาวพุทธของเรานี่ก็เหมือนกันในครอบครัวก็ให้มีกฎมีระเบียบแห่งธรรมเป็นเครื่องปฏิบัติรักษาต่างคนต่างเข้มงวดขวดขันต่อหลักศีลหลักธรรมอันเป็นความดีงามและสงบร่มเย็นไม่ฝ่าฝืนไม่ทำลายเช่นศีลห้าเป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่ทำลายความสุขของมนุษย์ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในศีลห้านั้นทั้งนั้นนี่เราเมื่อเราปฏิบัติตามเพียงห้าข้อนี้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเราและครอบครัวของเราครอบครัวของใครก็ต่างถ้าต่างคนต่างได้พยายามรักษา ตาในศีลทำตามหลักที่ระุตามสวขาธรรมที่พระองค์ตัดไว้ชอบแล้วนี้จะเย็นไปหมดตัวเองก็หาที่ตำหนกตัวเองไม่ได้เย็นคร <c oughs> อบครัวเจ้าเรือนไว้อกไว้ใจกันได้ <c oughs> เพราะใครก็รักษาเหมือนกันลูกเต้าหลานเหลนเกิดขึ้นมาก็มีแบบนีฉบับแห่งความถูกต้องดีงามเป็นเครื่องกากับรักษาให้เขาได้ยึดหลัก อันดีงามนี้ไปปฏิบัติตัวเองเพื่อความเป็นคนดีต่อไปสกุลนั้นก็รักษาสกุลนี้ก็รักษาที่ใกล้ไกลก็รักษาไม่กว้างแคบรักษาเหมือนกันโลกจะมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบร่มเยน็นเห็นประจักนี่เพราะธรรมของมือเจ้าเราเห็นอยู่ประจักอย่างนี้จะว่าธรรมนี้ปลอมอยังไงว่าธรรมนี้มียังไงมราเราอยากเห็นนิธเห็นเดชของอัดของธรรมของมือเจ้า เราก็ต้องแสดงฤทธิเดชแห่งความพยายามของเราให้เหมาะสมกับธรรมที่เป็นฤทธิเป็นเดชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษนั่นลองดูก็รู้นี่ว่าไงการฆ่ากันมันเป็นของดีแล้วเหรอพิจารณาสิเพียงรายเดียวท่านั้นมาฆ่ากันต่อหน้านี้เป็นยังไงนี่สมมติว่าเรานั่งอยู่ในถ้มกลางสงอยู่นี้ด้วยกันมีรายดๆหนึ่งมาฆ่ากันที่ตรงนี้เป็นยังไงกระเทือนใหม่ กระเทือนมากไหมทั่วประเทศไทยจะได้ทราบทั่วถึงกันหมดนั่นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่ท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงห้ามมาให้ทาอธินาทานก็เหมือนกันสมบัติของใครใครก็รักใครก็สงวนไม่มีสินใดที่จะสงวนยิ่งกว่าสมบัติของตนจิตใจเป็นของสำคัญมากกําเริบเกิบสารได้อย่างรุนแรงมากยิ่งกว่าสมบัติที่หายไป เพราะการโฉกการขโมยกันนั้นถ้าให้กันด้วยความพอพอใจให้กันชักเท่าไหร่ก็ตามไม่ไม่มีความกระทบกระเทือนไม่มีความบอบช้ำมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขความสบายใจรื่นเริงบันเทิงได้ระลึกถึงบุญถึงคุณไปกันต่อกันไปจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีสิ้นสุดเพราะความเย็นแห่งธรรมข้อนี้แห่งศีลข้อนี้น่ะฟังสิเรายกตัวอย่างเอาอย่างนี้ถ้าเราตั้งใจพึ่งปฏิบัติ ให้เห็นฤทธิ์เห็นเดชของธรรมจริ ง, รงเราก็ต้องเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาพื้ให้มีฤทธิ์มีเดชในตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมทําไม่ทำจะไม่แสดงฤทธิ์เดชความศักดิ์สิทธิพิเศษให้เห็นประจักษ์ต้องเห็นอย่างไม่ต้องสงสัยเราไปไหนมาไหนสบายไหมการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ทําลายกันแสนสบายไว้ใจกันได้หมดนไปที่ไหนไปเถอะไม่ต้องกลัวว่าภัยจะเกิดขึ้นจากมนุษย์ เบียดเบียนทำลายเอาสมบัติเงินทองก็ของมีไว้ที่ไหนเอามีไว้เถอะไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาฉกมาลักใครก็รู้ว่าเป็นของใครของเราอยู่แล้วไม่ใช่ของตัวเองไม่ฉกไม่ลักไม่ทำเพราะหน้าแห่งศีลธรรมที่ต่างคนต่างรักษาอยู่แล้วแล้วเย็นหน่พิจารณาสิจะไปรักษาวุ่นให้มันวุ่นวายทั้งกลางคืนกลางวันไม่ได้หลับได้นอนให้ลําบากลําบุญอะไรกันนี่ก็เพราะ ความที่เราไม่เห็นว่าทำเป็นของสำคัญนั่นเองมันถึงได้รับความทุกข์ความลำบากเห็นพระจักอยู่อย่างนี้จะว่าทำพุูเจ้าไม่หินได้ยงไงอากาเมุมิชาจานก็เหมือนกันลูกใครผัวใครเมียใครหลานใครรู้กันอยู่แล้วไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่ามนุษย์ ต, ต่างคนต่างมีขอบเขตมีเหตุมีผลเป็นเครื่องรักษาตนแล้วจะทางานในบ้านนอกบ้านไปที่ไหนไปเถอะ ไม่ต้องมีความนวแหวนแทงใจซึ่ง ก, กันและกันซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดก็คือระหว่างสามีภรรยาเอาต่างคนต่างเดบลงไปสิริดเดทของการรักษาธรรมมีธรรมก็แสดงริดเดทให้เห็นเป็นความสุขความสบายไม่เหมือนริดเดทของกิเลสที่ทําคนให้ล่มจมไปมากมายแล้วเรายังไม่เข็ดไม่หลับเรื่องริดเดทของธรรมแสดงให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยพิจารณาสินี่ข้อที่สามเราพูดย่อๆให้ฟังมุสากิดเหมือนกัน พูดมีมีคำสัตย์คำจริงพูดมาหลอกหลวงโกหกซึ่งกันกันแล้วทําไมจะไม่เย็นใจคนเราจะไม่ตายใจต่อกันละ่ะเด็กพูดก็เป็นความจริงผู้ใหญ่พูดก็เป็นความจริงไม่หลอกโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นดังที่เป็นอยู่นี่นี่ยเย็นไหมนี่ก็เย็นนี่เพียงห้าข้อเท่านีานน้ก็พอแล้วอย่างสุราก็เหมือนกันสุราใครใครแม้แต่เด็กก็ยังทราบว่าสุรานะี่ยคือคือของเ<อ>หมือนเหมาไม่ใช่เป็นของดี แล้วผู้ใหญ่เราทำไมจริงต้องเสกสรรว่าเป็นของดีของดีกินไปที่ไหนอยู่ที่ใดสมาคมใดมีแต่เสือลาออกหน้าคือน้าบ้าออกหน้าคนจะไม่เป็นบ้าได้ยังไงแล้วมันดียังไงคนไม่กินเหล้ากับคนกินเหล้าคนไม่เมาคนเมาต่างกันยังไงดูเพียงเท่านี้เราก็ทราบแล้วคนไม่เมาเนี่จะจะจะอยู่ด้วยความสงบมีสติสตังมีปัญญารอบตัวไม่เสียความสวยงามแต่คนเมาไปยังไง มันมีไม่มารยาทยิ่งกว่ามารยาทของสัตว์ซะอีกหาความสวยงามได้ที่ไหนเพราะการเมาสุลามเมาจนกระทั่งทั้งขี่ทะลักออกมามันก็ยังไม่รู้ตัวแล้วยังสวยอยู่หรืออย่างนั้นเมาเลยเลยบ้าไปแล้วยังขี่ทะลักออกมาต่อชุมชนอย่างนั้นมันดีไหมนม้ำสุลาทําคนถึงขนาดนั้นดีไหมพิจารณาสิแล้วเรารักษาอย่างเข้มวดกวดขันเหมือนกับว่าพ่อแม่ เวลาเราเกิดมาทีแรกพ่อแม่ไม่ดาน้ําชุลามากรอกปากเราแล้วเราทำไมจริงจะไปดื้อด้านหานทําอย่างนั้นเราหยุดเด็ดไม่ทําแล้วเป็นยังไงนี่เพียงเท่านี้ก็เย็นมากแล้วโลกนี่แหละเรื่องธรรมที่จะให้แสดงดิดเดตให้โลกได้เห็นโลกต้องแสดงความสามารถปฏิบัติธรรมให้ด้วยดิดเดต ด, ด้วยกําลังวังชากําลังศรัทธาความ อุตส่าห์พยายามทุกสิ่งทุกอย่างของเราซึ่งเป็นความดีที่จะรักษาทมไม่ได้เอาทำลงไปดูสิทมจะไม่ปรากฏห้เห็นได้ยังไงทรมีอยู่แล้วคนหากไม่รักษาทมเฉยๆนี่เรายกตัวอย่างอย่างนี้โลกถ้าได้ปฏิบัติตามอัตตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าจะในแง่ใดจะต้องแสดงความสุขความสงบเย็นใจให้ได้เห็นให้ได้ชม ให้เป็นที่ภูมิใจทั้งตนเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยตลอดสังคมและทั่วโลกดินแดนต่างคนต่างมีศีลธรรมด้วยกันนะจะเย็นที่สุดเลยแดีวเดียวเดี๋ยวนี้เป็นยังไงร้อนที่สุดก็คือความไม่มีศีลมีธรรมนั่นเองทำอะไรลงไปมีแต่เครื่องสังหารอัดสังหารทำซึ่งเท่ากับสังหารตนเองทําลายตนเอง ให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายโลกจึงได้เดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่อยู่ๆก็เดือดร้อนขึ้นมามันทําความผิดจากศีลจากธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นแหละนี่แหะที่ว่าศาสนาเสื่อมเสื่อมเพราะความไม่เชื่อสัจธรรมใดมีอยู่ก็ตามไม่เชื่อว่ามีแล้วก็ฝืนทําลงไปตามเรื่องของความหลอกลวงของกิเลสซึ่งเป็นตัวจอมปลอมที่สุดหลอกโลกให้ล่มจมมามากก่ามากแล้วก็ไม่ได้เห็ุกัน ต่างคนต่างสะสมขึ้นมาต่างคนต่างยกย่องชมเฉยของตำตำที่สุดที่โลกตำหนิที่ปราดทั้งหลาตำหนิก็ยกขึ้นมาชมจะว่าไงอันนี้ให้พิจารณาเองเวลานี้กำลังออกหน้าออกตาสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อมันมีขึ้นมากๆมันเป็นยังไงมันกัดกันเหมือนหมานี่มันไม่ได้เหมือนมนุษย์เลยเพราะ วิชานี้เป็นวิชาของสัตว์ดิเรกชนนวิชามนุษย์ต้องมีมารยาทต้องมีศีลธรรมต้องมีขอบเขตต้องรู้จักสูงจักต่ำ้องรู้จักจักเก็บจักรกรู้จักรักษาให้อยู่ในความสวยงามพอดีแม้ยังละไม่ได้ก็ให้ต่างคนต่างนะมัดระวังรักษาด้วยมารยาทของมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมและมีฮิดิโอตตะปะภายในจิตใจก็สวยงามไปตามหลักของมนุษย์ไม่ได้เสียหายอะไรเช่นอย่างครอบครัวผัวเมียกาเมตมนิชัด จานแบบนี้และกามราคะนี้ให้ต่างคนต่างระมัดระวังรักษาก็สวยงามโลกอันนี้เคยมีมาอย่างนี้ปราดถ้ไม่ไต่ำหนีที่มาเลยขอบเขตเหตุผลนั่นพี่มันต่ำนํำซ้ำลงไปจนกระทั่งถึงตำหนี้ใครจะไม่ตําหนติตาอตันตามีอยู่หูเมีอยู่ใจมีอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ในสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่หานทํากันนั่นมา มันหน้าตำหนิก็ต้องตำหนิที่นี้เมื่อต่างคนต่างรักษาดังที่กล่าวมาแล้วนี้โลกก็สวยงามสงบล่มเย็นแม้จะละไม่ได้ก็ไม่เป็นไผ่เพราะโลกเพราะธรรมชาตินี้มีประจำโลกมามีทําเป็นเครื่องกํากับรักษาเหมือนไฟที่อยู่ในบ้านในเรือนของเราเราใช้ไฟไฟเป็นของจําเป็นที่ละไม่ได้ แต่เราก็จะต้องรักษาภัยที่มันจะเกิดขึ้นจากไฟแล้วนำไฟไปทำประโยชน์ได้นี่ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นโทษแค่อย่างเดียวอย่างเดียวคุณค่าก็มีคนอยู่ในโลกด้วยกันต้องมีความรักความสร้างหวนกันด้วยความเป็นธรรมอยู่ด้วยกันด้วยความอบอุ่นเย็นใจเช่นอย่างสามีภรรยาลูกเต้าร้านเหลีอนอยู่ด้วยกันด้วยความ เป็นธรรมั้งๆที่ต่างคนก็มีกิเลสประเภทอยู่น่กิจใจก็ตามแต่ไม่เห็นมีอะไรเสียหายน่ะถ้าเราไม่เอากิเลสตัวผ่าตัวโผลตัวเป็นประเภทของสัิสัานเข้าไปทำลายเข้ามาออกหน้าร้านเพ่นเพ่นท่านทั่ทวบ้านทั่วเมืองเสียต่อ น, นั้นมันจริงไม่น่าดูที่สุดนี่แล้วว่าไงศีลธรรมกุ้าเป็นยังไงถ้านำมาปฏิบัติทาไมจะไม่งามไม่มีใครที่จะงามเกินมนุษย์ของเรา ในการปฏิบัติศีลธรรมเพราะเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วมนุษย์กับศาสนาเข้ากันได้อย่างสนิทตั้งแต่ขั้นต้นแห่งศาสนาธรรมถึงที่มีมุดหลุดพ้นไม่มีอะไรใครเกินมนุษย์เหล่าถ้านํามาประพฤติปฏิบัติรักษามันก็เห็นผลประจักษ์อย่างนี้แต่นี้ไม่ได้สนใจเพราะอะไรก็เพราะอํานาจของฝ่ายต่ําคนนั้นก็เสริมคนนี้ก็เสริมพูดกันคาได้ออกมามีแต่แต่แต่เรื่องที่จะทํำลายไม่แต่เรื่องที่จะทํำลาย คิดออกมาในแง่ใดมีแต่ปืนแต่ไฟแล้วมันจะเป็นน้ําเป็นท่าให้ลมเย็นปะจุไปได้อย่างไงมันก็ต้องเป็นปืนเป็นไฟเดินตามกันหมดนะนี่การปฏิบัติอ่าที่นี้ย่นเข้ามาหานักปฏิบัติของเราซึ่งเป็นผู้บําเพ็ญเพื่อทําอันสูงยิ่งกว่านี้ความสุขยิ่งกว่านี้ความเป็นสาระคุณยิ่งกว่านี้ไปยังไงในขณะหนึ่งหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรมาก เราเข้าใจว่าคิดเรื่องนี้มากกว่าเรื่องใดๆทำไมจะพูดไม่ได้เพราะในหัวใจของเราแต่ละคนมันเป็นอยู่ด้วยกันเวลาจิตหาความสงบไม่ได้จิตไม่มีหลักมีฐานไม่มีกฎมีเกณฑ์บังคับไม่อยู่แล้วจะต้องคิดตั้งแต่เรื่องนี้มากยิ่งกว่าเรื่องอื่นใดและเผาตนเองให้ร้อนมากยิ่งกว่าเรื่องอื่นใดอีกเช่นเดียวกันนี่พอเราพยายามบาเพ็ญรักษาด้วยความตะเกียบตะกายไม่หยุดไม่ถอย แล้วสิ่งเหล่านี้จะค่อยสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปจิตใจก็เพราะจิตใจก็สงบแล้วก็เป็นความสุขความยินใจหายกังวลกับสิ่งเหล่านี้ไปโดยลำดับลำดาเราก็ทราบได้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กอควรได้มากที่สุดและทำให้รับความทุกข์ในภายในจิตใจมากที่สุดในขณะที่จิตของเราสงบนั่นเราทราบได้อย่างนั้นนี่ก็พิจารณาเข้าไปทีเมื่อจิตมัน มันหนักในในเรื่องอะไรดังที่กล่าวมานี้อะไรเป็นยาแก้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้แล้วนี่ก็เคย เ, คยเทศมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเอาจนกระทั่งถึงจิตสงบนอกจากความสงบแล้วเอาปัญญาสอดสองมองทะลุไปหมดรูปร่างกลางตัวที่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันเป็นที่ตรงไหนเอาสติปัญญาหยัง่งคือความจริงไนดะ้หยั่งเข้าไปให้ถึงความจริงความจริงความจริงแล้วรู้ตามเป็นจริงปล่อยวางได้โดยไม่ต้องสงสัย บังคับให้ยึดก็ยึดไม่ได้เมื่อได้รู้แจ้งเห็นจริงตามส่วนแห่งธรรมที่ได้ปฏิบัติมาแล้วได้รู้ได้เห็นแล้วนั่นทีนี้ไม่คิดไม่ยุ่งจะคิดตั้งแต่เรื่องที่จะเปิดทางออกทางนั้นแ่ะเปิดทางออกโดยลําดับดากว้างไปโดยลำดับนี่สิ่งที่เคยตีบตันอันตู้ก็ห่างกันไปห่างกันไปนับรรดาธรรมทั้งหลายที่จะเป็นไปเพื่อความ หลุดพ้นก็กว้างขวางเบิกออกไปเบิกออกไปด้วยอํานาจของปัญญามีความสามารถแต่กล้าสว่างกระจ่างแจ้งในละเอียดแหลมพรมปรเดิมดับและแทงทะลุกิเลสไปโดยลําดับลําดาจนกระทั่งทุ่งออกตัวออกได้จากวัตจิตวัตจักรภายในใจของตนเห็นโลกนี้ว่างไปหมดเลยที่นี่บังที่ท่านกล่าวไว้ในมานพสิบหกคนนั้นโมกขราชเป็นสาคัญ ดูกนโมกคราชเธอจะดูโลกให้เป็นของว่างเปล่าแล้วจะต้องจะไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกเนี่ยเราพูดย่อๆว่าอย่างนั้นส่วนนีตังโลกังว่าคัศมโมกคราจะสดาสโตในภาษาบาลีทันว่างนั้นให้ดูโมกโลกเป็นของว่างเปล่าเมื่อพิจารณาไปถึง ข, ขั้นว่างแล้วจะต้องว่างแต่ท่านที่ทรงแสดงอย่างนั้นเพราะโมกขราชพระโมกขารขาชนั้นแะ ท่านมีอุปนิสัยสามารถที่จะรู้ทำประเภทนี้ได้อย่างรวดเร็วจึงไม่จําเป็นจะต้องรื้อมาตั้งแต่กอไก่กอกาอลไรบอกในจุดที่สําคัญเลยแสดงในจุดที่สําคัญเลยต้องโมฆะละโมกขนาดก็พุ่งทะลุเป็นผ้าฐารขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องสงสัยนี่เพราะทําภูมิของขีดของธรรมสมควรกับภูมิกับภูมิธรรมข้อนี้แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงถึงเรื่องโลกความว่างแห่งโลกคือว่าว่างแห่งโลกคือว่า ว่างจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เคยเสียดสันที่เด็เคยเสียดสันปัญญาว่าเป็นของดิบของดีของมีค่ามีราคากลายเป็นของว่างเปล่าจากสิ่งเหล่านี้จากความเป็นอย่างนี้ไปหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นมันทำมาว่างว่างอย่างนั้นต่างหากไม่ใช่ว่าว่างสิ่งเหล่านี้ไม่มีตาเห็นอยู่มันจะไม่มียังไงมันก็มีตาเห็นอยู่หูได้ยินอยู่แต่สําคัญที่กิจมันไม่ไปยึดไปถือไม่ไปสําคัญมั่นหมาย ไม่ไปแบกไปหามเท่านั้นเองนะมันก็ว่างไปหมดนี่จิตว่างเป็นอย่างนั้นว่างอันหนึ่งก็ว่างอย่างที่ว่าเหมือนอะไรไม่มีจริงๆก็มีนให้อันนี้มอบให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายทราบเองในความว่างของจิตเพราะว่างอย่างนั้นจริงๆก็มีว่างแต่จ้าต้องว่างจากความเป็นสัตว์บุคคลนี้ไปก่อนก่อนที่ไปถึงความว่างตกเพศนั้นเพราะนี้เป็นทางเดิน ความปัดปัดเสะจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นไม้ปูกเขาเข้าสู่ความว่างในหลักธรรมชาติของจิตนั่นมันเป็นทางเดินเข้าไปทางเดินเข้าไปมันก็รู้เองรู้เองเห็นเองมีวันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องสารธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมานี้มากต่อมากนี่คือหลักความจริง ไม่มีอันไดที่จะคัดค้านการทานหรือ ล, ลบล้างได้และยังจะเป็นไปอีกตลอดไปเช่นพระพุทธเจ้าของเรานี้ผ่านไปแล้วข้าก็บอกไว้อีกว่าพาระยเมตรายจะออกมาตรัสรูต่ต่อไปอีกนั่นในพระตกับนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ข้าก็บอกไว้ใครเป็นคนบอกคนงู้มาบอกได้ยังไงศาสดาเป็นผู้บอกเป็นผู้สอนโลกเป็นผู้ทําประโยชน์ให้โลกมามากต่อมากทําโลกให้ดีให้วิเศษ ให้เลิศเลอมามากต่อมากแล้วทำไมจะพูดสิ่งเหล่านี้ผิดผิดเป็นเพี้ยนแล้วหลอกลวงโลกต้มตุ๋นโลกไปได้เล่าเป็นไปไม่ได้หลักความจริงมีอย่างนั้นและจากนั้นไปก็จะมีอีกต่อไปอีกโดยลําดับลําดาอย่าม่าแต่ที่เป็นมาแล้วเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะไม่มีจํานวนมากเป็นล้านล้นล้านล้านล่นลนละก็เพราะความจําเป็นของสัก ร, รโลกที่คอยพึ่งอยู่นี่เหมือนกับหมอกับยาฮ หมอเดินผ่านมาเท่านั้นคนไข้ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งๆที่ยังไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับหยุดกับยาเลยเพราะอะไรเพราะหวังพึ่งมันจะเป็นจะตายจริงๆโรคภายระเก็บมันบีบบังคับทําไมจะไม่เห็นหมอเป็นเทวดางือเห็นหยุดเห็นยาเป็นชั้นฟ้าสวรรค์ชั้นทมไปล่ะมันต้องเห็นเมื่อคนจะตายแล้วมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันอุปนิสัยสามารถมีอยู่เห็นโทษเห็นทุกแต่หาทางออกไม่ได้ เมื่อมีผู้มาชี้แจงทางออกทําไม่กิตจะไม่กระยิ่มล่ะแล้วก็หลุดพ้นไปจนได้นั่นนี่แหละความจําเป็นของจัดโลกมีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงต้องเป็นมาอย่างนั้นเพราะสิ่งที่บีบบังคับให้สัตว์โลกได้ยินโดนกระวนกระวาหาที่หลบที่ซ่อนหาที่ดีหาที่หลุดพ้นมีอยู่นี่คืออะไรคือกิเลสมันบีบมันบังคับหาการให้เวลาได้ที่ไหนมีขอบมีเขตเมื่ อ, อไหร่ ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายก็คือกิเลสนั่นเองบีบบังคับจิตใจของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงไม่มีว่างจากธรรมชาตินี่เลยนอกจากพระพุทธและพระธรรมเท่านั้นนี่แลวเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อทมเข้ามาสัมผัสพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาทาไมจะ ไม่ลื่นเริงมันถึงไม่ดีโอ่อใจทั้งๆ ท, ท, ที่ทุกบีบบังคับอยู่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้เพราะความหวังเต็มหัวใจนั่นแหละพาให้ยิ้มแย้มแจ่มใสว่าจะมีหวังพ้นทุกไปได้เหมือนกับเรามองเห็นยาและหมอนั่นแหละทั้งๆ ท, ที่ยังไม่รักษาก็ยิ้มแล้วหวังแล้วว่าจะหายจากโรคเพราะยาเพราะหมอเนี่ยคนไข้หนักเป็นอย่างนั้นอืมนี่ก็เหมือนกันผู้ที่เห็นไทย ในวัฏะทุกในวัฏฏะสงสารนี่มีจํานวนไม่น้อยดังที่กล่าวแล้วเนี่ยท่านเหล่านี้เองที่เป็นผู้กระยิ่มมากที่สุดยิ่งกว่าใครๆพอได้ยินได้ฟังธรรมะเท่านั้นก็พุ่งเลยนั่นนี่เป็นอย่างนี้นี่คือหลักความจริงที่ประจําโลกมานานแสนนานและยังจะเป็นไปอีกตลอดถ้ า, าไม่มีธรรมเป็นเครื่องแก้เครื่องปวดเปื่องแล้วโลกนี้จะหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้หมุนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ตลอด ดี่กับกี่กันไม่มีเวลาไม่ไม่มีทางที่จะนับได้เลยแต่เมื่อมีธรรมะ ต, ตัดให้ขาดบัคขาดตอนไปก็ย่นเข้ามาย่นเข้ามาสุดท้ายก็ผ่านไปได้พ้นไปได้เพราะอำนาแห่งธรรมคือความดีงามที่ตนได้สร้างมานี่นี่พวกเราทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาจะให้เลิศเลอขนาดไหนอีกอืแล้วตั้งใจคือปฏิบตัติความดีทําที่ไหนได้ทั้งนั้นนี่มาปฏิบตัติยิตธาภาวนาเอารวมไม่รวมก็ตาม ความดีเราทำลงไปมันต้องได้ความดียิ่งเห็นประจักษ์ตัวแล้วมันก็ยิ่งพุ่งพุ่งพุ่งจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปโดยสิน้นเชิงหมดตัญหาโดยประการทั้งปวงในบรรดาที่ว่าวัตจกักรวัตจิตที่เคยเป็นมาแล้วแปลว่าขาดาบั้นประจากษ จ, จิตใจต่อไปจะเป็นไปอีกไหมรู้ได้ชัดๆภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจึง สามารถนำจิต ด, ดวงนั้นท่านผู้รู้ธรรมถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วไม่สามารถที่จะนำจิตกับเป็นวัตจิตวัตจักรนั้นมาวินิจฉัยได้ควรมาแสดงได้อย่างเต็มปากเต็มหัวใจได้อย่างไรก็ท่านเป็นผู้เป็นใชเองเวลากิเลสมัดหัวใจท่านก็เป็นมาตะเกียกตะกาท่านเคยตะเกียกตะกายมาแล้วเพราะอำนาจของกิเลสสู้กิเลสไม่ได้ตะเกียกตะกายล่มลุกคุกขานมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะกิเลส บ, บีบบังคับท่านก็รู้ท่านก็เป็นมาแล้ว ในเวลาได้ชำระกิเลสเป็นลําดับลําดาจนกระทั่งกิเลสสิ้นไปสิ้นไปสิ้ไ ป, ไปขาดสะบัน้นออกไปจากใจไม่มีสิ่งเงื่อนใดที่จะมาต่อมาเสริมมาบีบบังคับอีกแล้วท่านทำไมจะไม่รู้เมื่อท่านรู้อย่างประจักษ์ใจของท่านแล้วทำไมท่านจะพูดไม่ได้เออมันอยู่กับปิดไม่มีอะไรที่เกินจิตที่จะรู้ยิ่งจิตที่หลุดพ้นแล้วยิ่งเป็นจิตที่ฉลาดแหลมคมที่สุดไม่มีจิตดวงใดเสมอเหมือนเลยแล้วท่านจะไม่รู้ยังไงว่าความหลุดพ้นเป็นอย่างไร และสิ่งที่พาให้เกิดเจากเจ็บตายหมุนเีย็นเปลีนแปงคืออะไรก็ท่านลบกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วนี่อืมจนถึงจะเป็นจะตายเวลาหลุดพ้นจากการขาดสะบั้นจากการระหว่างกิเลสกับกิจที่พาให้เกิดจากเจ็บตายนั้นได้หลุดพ้นดได้ขาดสะบั้นจากการทําไมท่านจะไม่รู้และทําไมท่านจะพูดไม่ได้ท่านเอาสิ่งเอาความจริงทั้งหลายที่เป็นอยู่ในหัวใจท่านเองมาแสดงให้โลกทั้งหลายได้ทราบท่านจะไปเอาที่ไหนเอ พระพุทธเจ้าท่านก็เอานั่นเองแหะภาษาโลกสงหลายท่านก็เอาความจริงของท่านที่รู้ที่เห็นที่เป็นมาแล้วนั่นแหละสั่งสอนสัตว์โลกให้ในรู้จริงเห็นจริงผู้ที่เชื่อตามมาพูดธเจ้าก็ค่อยตะเกียกตะกาไป ก, ก็ค่อยผ่านไปผ่านไปสุดสุดท้ายก็ผ่านพ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะทำนี่เรียวสวสุขค่ะทำ้าตัดไว้ชอบแล้วชอบเพื่อจะให้ได้รับความดีงามทั้งหลายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีคํา ลอกลวงต้มตุต๋นแฝงอยู่แม้แต่น้อยเลยนี่นี่ละทำเป็นความจําเป็นต่อโลกอย่างนี้เองเนี่ลเราก็ได้มาพ่พระพุทธศาสน า, า, า, าและได้มาบวชนะพุทธศาสน า, ษาในเวลานี้ให้บําเพ็ญตัวยาคิดกังวลวุ่นวายกับสิ่งใดนอกกระจากความดีที่เรามุ่งหมายเข้ามาบวชนี้เท่านั้นเวลาบวชนี้เป็นสําคัญอา้าวออกจากนี้ไปแล้วกกิจการงานนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวาย หาเวลาไม่ได้แล้วกิเลสมันก็มาหลอกเขาอีกซ้ําเขาอีกอืมาก็เหนื่อยเมื่อไาทํางานอะไรไม่ได้ทําความดีไม่ได้ภาวนาไม่ได้ก็ได้ยินเสียงดังครอกครอกนั่นอันนั้นได้นั่นแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นแบบเดียวกันแบบเดียวกันเสียเวลาเวลาไปสุดท้ทายตายปปเปล่าเกิดประโยชน์อะไรนี่เวลานี้ไม่ใช่แบบนั้นเป็นเวลาที่เราจะบําเพ็ญบุญงามความดีให้เกิดขึ้นกับใจของเราจึงอยากได้พากันนอนใจให้หุวซาพยายามเชื่อปราดจอมแหละ ขนาดที่สุดคือศ า, ศ า, ศ า, ศาจดา อ, องเอกนี่เราจะได้เป็นสิทธิที่มีครูวัดตะวันก็จะย่นเข้ามาความดีทั้งหลายที่จะทำให้เราเกิดสุขก็จะเป็นที่หวังของเราเพราะการสร้างความดีของเราการแสดยางธรรมก็สมควรขอยุติเพียงเท่านี้